ใครต้องการหนังสือซีดีก็เชิญหยิบไปได้หนังสือแจกเอาไปอ่านอยากไปบูชาหนังสือไม่ไว้อ่านการอ่านเป็นการบูชาไม่ใช่ไปกราบหนังสือไม่หว้หนังสือหนังสือนี้ก็เป็น ความรู้เป็นเรื่องของปัญญาก็าเราจะฉลาดจะมีความรู้ก็ต้องมีการศึกษาจากผู้รู้ถ้าเราไม่สามารถศึกษาจากตัวเราเองได้สอนตัวเราเองได้ให้ฉลาดเราก็ต้องอาศัยคนที่เขาฉลาดมาสอนเรา เราก็ต้องศึกษาจากเขาเช่นอ่านหนังสือหรือฟังคำสอนเมื่อเราได้แล้วได้ยินได้ฟังได้อ่านหนังสือเราก็จะได้ความรู้ใหม่ๆขึ้นมาความรู้ที่เราไม่รู้มาก่อนเราก็จะได้รู้ ความรู้นี้เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่จิตใจของพวกเราเพราะจิตใจของพวกเรานี่เปรียบเหมือนคนที่อยู่ในที่มืดมืดบอดด้วยความไม่รู้มืดบอดด้วยความหลงความหลงก็คือความเห็นผิดเป็นชอบเห็นตรงกันข้ามกับความเป็นจริง เช่นเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขเนี่ยเราก็เลยทุกข์กันอยู่เรื่อยๆเพราะเราคิดว่าสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นเป็นสุ ข, ขกันถ้าเรามีปัญญาหรือมีคนบอกให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสุ ข, ขนั้นมันเป็นทุกข์แล้วเราเห็นตามที่เขาบอกเราก็จะ ไม่ไปหาสิ่งนั้นอีกเมื่อเราไม่ไปหาสิ่งนั้นเราก็จะไม่ต้องทุกข์กับมันแต่ตอนนี้เรายังทุกข์กันอยู่ทุกข์เพราะว่าเรายังไม่เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นเรายังไม่เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์เรากลับไปเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเราก็เลยไปหามัน พอไปหามันก็เลยต้องทุกข์กับมันก็เหมือนกับเห็นงูงูพิษว่าเป็นปลาไหลก็ไปจับมันมาพอคิดว่าเป็นอาหารพอไปจับปลาไหลฮจับงูพิษที่เราคิดว่าเป็นปลาไหลก็ถูกมันกัดมันก็เจ็บทรมานนี่คือ ความมืดบอดความเห็นผิดเป็นชอบความเห็นที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเราจึงต้องทุกข์กับสิ่งที่เราไปคิดว่าเป็นสุขเพราะเขาเป็นทุกข์เหมือนไฟมันร้อนแต่เราไปคิดว่ามันเย็นพอเราไปแตะไฟเข้าไฟก็ไหม้มือเราเผามือเรา เห็นไหมเด็กเด็กไม่รู้ไฟว่าเป็นเป็นอันตรายไปเล่นกับไฟก็ถูกไฟเผาถูกไฟชอ็อตเอาผู้ใหญ่รู้ผู้ใหญ่ก็เลยต้องคอยสอนเด็กคอยห้ามเด็กไม่ให้ไปเล่นกับไฟพวกเราถึงแม้ว่าร่างกายจะเป็นผู้ใหญ่ แต่ใจยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่ยังไม่รู้สิ่งที่ทุกว่าเป็นทุกอยู่ยังไปคิดว่าสิ่งที่เป็นทุกนี่เป็นสุขกันเราจึงทุกกันทุกวันอยู่นี่ความทุกข์ของเรานี่เกิดจากความหลงเกิดจากความไม่เห็นทุกว่าเป็นทุกเกิดจากความเห็นทุกว่าเป็นสุข เราเลยเข้าหาความทุกข์อยู่เรื่อยๆ เ, เพราะคิดว่ากำลังเข้าหาความสุขกันพอเข้าไปเจอก็ต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันนี่คือความมืดบอดของใจของผู้ที่ไม่มีปัญญาผู้ที่ไม่มีความรู้ว่าทุกข์คืออะไร สิ่งไหนคือทุกข์สิ่งไหนไม่ใช่ทุกข์สิ่งไหนคือสุขสิ่งไหนคือทุกข์เนี่ยเราเห็นกลับตรงกันข้ามกันสิ่งที่เป็นสุขเรากลับเห็นว่าเป็นทุกข์สิ่งที่เป็นทุกข์เรากลับเห็นว่าเป็นสุขเราก็เลยไปหาความทุกข์กันเพราะคิดว่าเป็นความสุขแล้วพอได้มันมาก็ต้องมา เสีย อ, อกเสียใจร้องห่มร้องไหกก้กันทุกกันอะไรที่เป็นทุกข์ที่เราคิดว่าเป็นสุขพระมุตเจ้าก็บอกว่าลาบยศสรรเสริญออลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์กันแต่มันจะมีความสุ ข, ขเคลือบอยู่บา ง, บาง เหมือนกับยาขมเคลือบน้ำตาล เ, ออเวลาเราได้มันมาใหม่ๆเราจะมีความสุขกันได้ลาบมาก็ดีใจได้เงินได้ทองมาก็ดีใจได้ยศได้ตำแหน่งก็ดีใจได้รางวัลได้การสรรเสริญเยินยอก็ดีใจได้ไป สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆเช่นเวลาเราไปเที่ยวเราไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆไปกินไปดื่มอาหารเครื่องดื่มชนิดต่างๆไปดูไปฟังภาพยนตร์ดูละครฟังการร้องลําทําเพลงเวลาเราได้ไป สัมผัสมันตอนตอน้นตอนที่ได้สัมผัสก็มีความสุขแต่พอเราไม่ได้สัมผัสมันพอเราไม่มีมันความสุขที่เราได้จากมันก็หายไปความทุกข์คือความว้าเหวความเศร้าส้อยง่อยเหงาความซึมเศร้าก็จะปรากฏขึ้นมาในใจเรา นี่คือทุกแต่เราไปคิดว่าเป็นเป็นสุขมันเป็นสุขเดียวเดียวสุขตอนที่เราได้ไปสัมผสัสได้รับรู้ได้รับมาแต่เราไม่สามารถเก็บมันไว้ให้อยู่กับเราไปได้ตลอดเวลาได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไป บางอย่างก็หมดเร็วบางอย่างก็หมดช้าแต่ก็ต้องหมดต้องมีวันสิ้นสุดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเราในที่สุดมันก็ต้องหมดไปลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลตภัณมันต้องหมดไปร่างกายของเรา ที่ใช้ในการหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสพลิตภัต่างๆมันก็ต้องหมดไป mm hmm. เวลามันหมดไป mm hmm. เราก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกัน mm hmm. mm hmm. นี่เป็นเพราะว่าเราไม่เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอน ของสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเราคิดว่ามันเที่ยงแท้แน่นอนเราคิดว่ามันจะให้ความสุขกับเราไปตลอดจะอยู่กับเราไปตลอดจะเป็นของเราไปตลอดแต่ไม่มีอะไรเป็นของเราไปตลอดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาเราจะต้องเสียไปหมดเรามาในโลกนี้ เรามาตัวปเปล่าเราไม่ได้มีอะไรติดตัวมาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้เริ่มต้นตั้งแต่ร่างกายเป็นของโลกนี้ไม่ได้เป็นของเราร่างกายนี้ไม่ได้เป็นของเราเป็นของพ่อแม่ให้เรามาแล้วเราต้องคืนเจ้าของเดิมไปเจ้าของเดิมคือท่าทั้งสี่ ธาตุดินธาตุน้ำธาตุดมธาตุไฟเนี่ยเราได้มาผ่านทางพ่อทางแม่พ่อแม่มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาผสมกันทำให้เกิดร่างกายขึ้นมาอยู่ในท้องแม่ตอนต้นก็อาศัยธาตุสี่ของแม่ อาหารที่แม่รับประทานเข้าไปนี่ก็ทำมาจากธาตุสี่อาหารต้องมีดินมีน้ำมีลมมีไฟมีดินมีน้ำมีลมมีไฟจึงสามารถจึงเป็นอาหารให้เรารับประทานกันให้แม่รับประทานแม่หายใจเข้าไปก็เป็นลมแม่ดื่มน้ำเข้าไปก็เป็นธาตุน้ำ มากินข้าวก็เป็นธาตุดินแม่ได้รับความร้อนจากแสงแดดแสงอาทิตย์ก็เป็นธาตุไฟพอมีธาตุทั้งสีเข้าไปในร่างกายก็ไปก่อไปสร้างร่างกายอันใหม่ที่อยู่ในท้องให้เจริญเติบโตพอโ ต, ตเต็มที่ก็ต้องคลอดออกมา เป็นร่างกายเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นดวงวิญญาณที่ตายจากร่างกายอันเก่าร่างกายอันเก่าที่เรามีอยู่ชาติก่อนมันตายไปร่างกายเหมือนกับร่างกายอันนี้ แต่มันตายเพราะว่าทุกร่างกายมันเกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บแล้วต้องตายพอเราไม่มีร่างกายเราก็เลยไปหาร่างกายอันใหม่พอเราพบร่างกายที่พ่อแม่คนหมายสร้างขึ้นมาเราก็ไปเกาะติดกับร่างกายอันนั้นด้วยกระแสของความรู้ความคิดนี่แหละที่ไป ผูกติดไว้กับร่างกายอันใหม่ <Yeah. S 1> กระแสที่ไปเกาะติดกับร่างกายนี้ก็คือวิญญาณเรียกว่าวิญญาณวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกทางลิ้นทางกาย <Yeah. S 2> ไปเกาะติดไว้ <Yeah. S 2> พอเรามีวิญญาณเราก็รับรู้สิ่งต่างๆที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายได้ นี่คือเราเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสผลพระจากตาหูจมูกนิ้นกายมาเสพนี่คือผู้รู้ผู้คิดผู้ที่มาเกิดนมาตัวเปล่าๆมามีอยู่สองอย่างมีความรู้กว่าความคิดเท่านั้นที่ติดตัวมาแล้ว มาได้ร่างกายพอออกจากท้องแม่มาก็เติมดินน้ำนมไสให้ร่างกายตโ ต, ตขึ้นมาออกมาจากร่างกายก็ออกมาจากท้องแม่ก็ต้องหายใจเองอยู่ในท้องแม่ไม่ต้องไม่ต้องหายใจไม่ต้องกินไม่ต้องดืม่มมีสายสายของธาตุสี่หล่อเลี้ยง เหมือนสมัยนี้เวลาคนแก่คนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องกินเองไม่ต้องหายใจเองมีสายยางเห็นไหมสายยางต่อไปที่ร่างกายเหมือนให้กลับเข้าไปในท้องให้กลับไปอยู่ในท้องแม่อาหารทางสายยางอากาศทางสายยางเห็นมมีออกซิเจนหน้ากากเหมือนกลับเข้าไปในท้องแม่เลยคนเราเวลาแก่แล้วนี่ เมื่อร่างกายไม่สามารถที่จะหากินหายใจเองได้หาอาหารเองได้ก็เลยต้องอาศัยสายยางต่างๆนี่คือร่างกายที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาแล้วเราเป็นดวงวิญญาณที่ไม่มีร่างกายเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่ หาล่างกายใหม่นี้ก็เหมือนกับเวลาเราขับรถไปหาที่จอดรถเนเราไม่รู้จะไปจอดตรงไหนใช่เราก็ขับไปไปถึงที่จอดรถเราก็ขับไปเรื่อยๆตรงไหนมีช่องว่างเราก็เลี้ยวเข้าไปนอกจากเราเป็นคนใหญ่คนโตเขาอาจจะมีที่เฉพาะให้เราจอดได้อันนี้การมาเกิดนีนก็อาจจะ เกิดแบบต้องแล้วแต่บุญแต่กรรมหรือถ้าคนไหนมีบุญมีบารมีมากอาจจะมีช่องรอไว้ก็ได้เช่นคนทําบุญมากๆอาจจะมีช่องของเศรษฐีช่องของพระราชาหม า, หากษัตริย์ให้ไปเกิดเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินลูกของหมาเศรษฐีก็ได้อย่างอย่างพระเวชสันดร น, นี่อ ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็ทำบุญอย่างมากมายกายกองพอท่านตายไปบุญบารมีของท่านเลยทำให้ท่านไปเกิดในท้องของพระมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินได้เป็นพระราชโอรสแต่พวกที่ไม่มีบุญพวกที่ไม่มีบารามี ก็เหมือนพวกคนที่ขับรถหาที่จอดรถไม่มีที่จอดเฉพาะตนะก็แล้วแต่จังหวะว่าช่องไหนว่างขับวนไปวนมาจนจนกว่าจะมีช่องว่างก็จะก็เลี้ยวเข้าไปจอดอนี่ก็คือการไปได้ร่างกายอันใหม่ของดวงวิญญาณของพวกเราพวกเราจึงได้ร่างกายมาไม่เหมือนกันเพราะบุญบา ร, รมี ของเราที่สร้างมาไม่ไม่ไม่เท่ากันบางคนก็ได้มาเกิดในครอบครัวที่ฐานะดีบางคนก็ครอบครัวฐานะปานกลางบางคนก็ครอบครัวฐานะยากจนแต่ก็สำหรับคนบางคนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าในตัวเขาเขามีความรู้ความสามารถ ถึงแม้ว่าเขาจะไปเกิดในครอบครัวของขดยากจนแต่ก็มีความรู้ความสามารถที่จะหาเงินหาเท่าได้อย่างมากมายเขาก็พอเขาโตขึ้นมาเขาก็ร่ำรวยได้เห็นไหมเศรษฐีที่รวยๆกันนี่ถ้าเราศึกษาประวัติมงคล น, นี่เขาก็ มาจากครอบครัวยากจนแต่เขามีไฟในตัวเขาเขามีความรู้ความฉลาดความขยันมันเพียนเขาก็สามารถสร้างความร่ำรวยของเขาขึ้นมาเองได้ไม่ต้องอาศัยความร่ำรวยจากพ่อแม่อันนี้ก็แล้วแต่ผู้รู้ผู้คิดแต่ละดวงนี้มีบารมีอะไรต่างกัน บาง บ, บังดวงก็มีทานบาลมีบางดวงไม่มีทานบาลมีแต่มีปัญญาบารมีถึงแม้จะไปเกิดในครอบครัวยากจนแต่มีปัญญาสามารถหาเงินทองได้เองพวกที่มีทานบาลมีก็ทำบุญมามากก็ไปเกิดในครอบครัวของสของเศรษฐีของผู้ร่ำรวย แต่ถ้าไม่มีปัญญาอาจจะายากจนได้ถ้าไม่รู้จักหารู้จักแต่ใช้อย่างเดียวก็อาจจะยากจนแต่ก็ยากจนเพื่อให้นั่มรวยในชาติต่อไปก็ได้พวกที่ทำบุญอาจจะมาเกิดใหม่ก็ชอบทำบุญทำแต่บุญเงินที่มีก็หมดไปกับการทำบุญเหมือนกับพระเวสสันดร แต่พอก็ตายไปไปเกิดใหม่ก็ไปเกิดในครอบครัวของคนร่ำรวยใหม่ก็ไม่เสียหายอะไรถ้ายากจนด้วยการทำบุญพราะเป็นการลงทุนสำหรับพบหน้าชาติหน้าแต่ถ้ายากจนเพราะกิเลสตัณหาใช้เงินตามความอยากนี่อันนี้จะลำบากเพราะว่าไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นการทําบุญไม่ได้เป็นการลงทุน เป็นการขาดทุนเอาเงินใช้ตามความอยากต่างๆอันนี้เป็นการสะสมกิเลสเป็นการสร้างกิเลสตัณหาให้มีมากขึ้นสร้างความหิวสร้างความอยากให้มีมากขึ้นแล้วถ้าไม่ระวังเวลาที่เงินหมดอาจจะต้องไปหาเงินโดยวิธีทำบาปเอาใช้เงินท่องไปกับกิเลสตัณหานี่ มันหมดได้หมดแล้วบางทีก็หาเองไม่ได้ก็ต้องหาโดยวิธีทาบาปก็จะกลายเป็นเปรตไปต่อไปตายไปแทนที่จะกลับมาเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยก็จะกลับมาเกิดในครอบครัวที่ยากจนเพราะไม่ได้ทำบุญเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่น นี่คือเรื่องของการมาเกิดของพวกเราพวกเรามาตัวปเปล่าๆด้วยกันมีสิ่งที่ติดมาในใจเราก็คือบุญหรือบาปบุญก็คือนิสัยที่ดีบาปก็คือนิสัยที่ไม่ดีคนที่ชอบกินเหล้าก็ติดนิสัยไม่ดีมาติดบาปมาคนที่ชอบฆ่าสัตว์ลักทรัพย์นี่ก็ติดนิสัยบาปมา คนที่ชอบทำบุญก็ติดนิสัยดีมาคนที่ชอบศึกษาหาความรู้ก็เป็นนิสัยดีคนที่ชอบรักษาศีนก็เป็นนิสัยดีคนที่ชอบนั่งสมาธิทำใจให้สงบเนี่ยอันนี้ก็เป็นนิสัยดีเคยทำอะไรมามันจะติดมากับใจผู้รู้ผู้คิดเนี่ย เราทำไมจึงทำอะไรแต่ละอย่างโดยที่ไม่ต้องมีใครบอกใครสอนเราก็เพราะเราเคยทำอย่างนี้มาก่อน <Yeah. S 1> มันติดเป็นนิสัยทำไมเราจึงใช้มือขวากันทำไมอีกคนทำไมเขาจึงใช้มือซ้ายกันเพราะเขาเคยใช้มือขวามาเขาก็ใช้มือขวาต่อไปเขาอีกคนเคยใช้มือซ้ายเขาก็ใช้มือซ้ายต่อไป <Yeah. S 1> yeah. เคยทำอะไรอย่างไรมันก็จะติดเป็นนิสัยมานิสัยดีก็เป็นบุญนิสัยไม่ดีก็เป็นบาปแล้วเราก็มาหาสิ่งต่างๆสิ่งที่เรามีเหมือนกันทุกคนที่ไม่ต่างกันก็คือความอยากหาความสุขทางตาหูจมูมกลิ้นกาย ความอยากมีอยากเป็นอยากได้ลาบยศสรรเสริญ ส, สุขนี่มีเหมือนกันทุกคนก็เลยมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันหาลาบยศสรรเสริญกันแล้วก็มาทุกข์กับลาบยศสรรเสริญมาทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสเวลาที่มันหมดเวลาที่มันหายไปจากเราไปนี่คือ ความหลงความไม่รู้ว่าลามยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันต้องหมดทุกข์เพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวเวลาที่เราสูญเสียลามยศสรรเสริญสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ทุกข์กันหรือเวลาที่เราสูญเสียความสามารถทางร่างกาย ร่างกายไม่สามารถตอบสนองความต้องการตามความอยากของเราได้เราก็ทุกข์กันเวลาเราแก่เวลาเราเจ็บเนี่ยเวลาเราตายเราจะไม่สามารถหาความสุขทังตาหูจมูกลิ้นกายได้ไม่สามารถหาลาภยศจัลลเสริญได้เราก็ทุกข์กันแต่เราก็ไม่เคยคิดว่า มันเป็นทุกข์กันพอเรามีโอกาสเมื่อไหร่เราก็จะหาหมันเมื่อนั้นหามาได้ท้าหลายหมดไปถ้าหลเราก็ไม่เคยเข็ดหมดก็หาใหม่หาใหม่อยู่เรื่อยๆหามาได้ท้าหลาเดี๋ยวก็หมดไปอกีกเวลาหมดก็เสีย อ, อกเสียใจแต่มันอยู่แบบขาดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ ขาดลาบยศสรเสริญขาดรูปเสียงกลิ่นรสพุถพภาไม่ได้เพราะใจมันต้องมีความสุขหล่อเลี้ยงมันก็รู้จักวิธีหาความสุขแบบนี้แบบเดียวเท่านั้นคือวิธีหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสพุถะภาหาความสุขจากลาบยศสรเสริญต่อให้มันสูญเสียหมดไปเท่าไหร่มันก็หายไปเรื่อยๆจนกว่ามันหาไม่ได้จริงๆเท่านั้น มันก็มันก็ยอมแพ้หรือไม่เช่นนั้นมันก็ฆ่าตัวตายไปเมื่อมันอยู่แล้วมันไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้ก็ไม่อยากจะมีร่างกายนี้ก็ต้องกำจัดร่างกายนี้โดยการฆ่าตัวตายไปแต่การฆ่าตัวตายมันไม่ได้เป็นการแก้ต้นเหตุที่เป็นเหตุให้เราทุกข์กัน ต้นเหตุที่ทำให้เราทุกข์ก็คือความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือแต่เราจะแก้ปัญหาเราต้องมาหยุดที่ความอยากอยากได้ลามยศสารเสิญอยากมีอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผะถ้าเราไม่มีความอยากเหล่านี้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายจะไม่มีความสามารถที่จะหาลามยศสารเสิญ หารูกเสียงกลินรสใจก็ไม่เดือดร้อนใครล่ะที่ทําอย่างนี้ได้ก็พวกนักบวชพวกนักบวชเขาเขามีสัมมาทิฏฐิเขามีปัญญาเขารู้ว่าอะไรเป็นทุกขเขารู้ว่าอะไรเป็นสุขเขารู้ว่าวิธีหาความสุขที่ไม่ไม่เป็นทุกข์คือการอา ทำใจให้สงบฝึกสมาธิใช้สติหยุดความคิดหยุดความอยากพอหยุดสติหยุดความคิดหยุดความดากอยากได้ใจก็สงบมีความสุขไม่มีความอยากต้องใช้ร่างกายไปหาราบยศสารเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเขาก็เลยไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกาย ร่างกายแก่ก็ไม่ต้องไม่เป็นปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เป็นปัญหาตายก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเขาสามารถมีความสุขได้โดยไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นทางเป็นเครื่องมือแต่พวกที่ใช้ร่างกายก็จะเดือดร้อนเวลาที่ร่างกายไม่สามารถหาความสุขให้กับใจได้นี่แหละคือ ผู้ที่รู้ความจริงว่าอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์ก็คือบรรดานักบวช ท, ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นผู้เป็นหัวหน้าของนักบวชผู้ที่ได้ค้นพบความจริงว่าสิ่งที่เราหากันทุกวันนี้ ล, าะละะ้าวยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรสปุถะภาษนี้มันเป็นทุกข์และ สิ่งที่เป็นสุขก็คือความสงบของใจท่านเลยเปลี่ยนวิธีหาความสุขเมื่อก่อนท่านก็หาความสุขแบบพวกเราพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะท่านก็หาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผทธภะแต่ท่านก็เห็นว่ามันไม่เป็นของที่แน่นอน แล้วต่อไปในอนาคตท่านก็รู้ว่าท่านจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายท่านก็จะไม่สามารถหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระได้ท่านก็เลยไปศึกษาไปเห็นนักบวชก็ไปทราบว่านักบวชเขามีวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ลาบยศสรรเสริญ ไม่ต้องใช้รูปเสียงเกลื่อนลดพอตภะเขาหาความสุขด้วยการทําใจให้สงบท่านก็เลยไปศึกษาไปบวชอยู่กับพวกนักบวชไปศึกษาวิธีหาความสุขจากความสงบพวกนักบวชเขาก็หาความสุขจากความสงบได้แต่เป็นพักๆเป็นขณะที่เข้าสมาธิใจสงบ ก, ก็มีความสุขแต่เขายังไม่สามารถ หาความสุขได้ตลอด24ชั่วโมงเวลาที่เขาออกจากสมาธิมาใจเขาก็ยังไปอยากได้สิ่งนู้นสิ่งนี้อยู่ใจของเขาก็ยังทุกข์อยู่แต่ตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าที่ ท, ที่ทาให้ใจทุกข์นั้นเป็นอะไรไม่รู้ว่าเป็นความอยากไม่รู้ว่าเพราะไม่มีสิ่งที่อยากได้เป็นเหตุต่างหากเช่น อยากจะกินของอยากจะดืมด่มเครื่องดื่มแล้วไม่มีเครื่องดืม่มให้ดืม่มก็เลยเป็นทุกข์ก็เลยไปคิดว่าเพราะ <st it ut ters> ที่ทุกข์ก็เพราะว่าไอ้เครื่องดื่มนั้นไม่มีให้ดืม่มแต่ความจริงมันไม่ใช่ความจริงอยู่ที่ความอยากดืม่มเครื่องดื่มนั้นถ้าไม่มีความอยากดื่มเครื่องดื่มนั้นมีแล้วไม่มีก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้ามีความอยากถ้ามีดื่มก็สุข เวลาไม่มีดื่มก็ทุกข์เช่นกาแฟเวลามีดื่มก็สุขเวลาขาดกาแฟนี่ก็ทุกข์แต่คนที่ไม่มีความอยากดื่มกาแฟนี่จะมีกาแฟหรือไม่มีกาแฟก็ไม่ทุกข์อันนี้ไม่มีใครมองเห็นกันเห็นว่าทุกข์ที่ทุกข์เพราะว่ามันกาแฟหมดถ้าหมดก็ไปหามันม่ซื้อมันใหม่มากินต่อมันก็เลยไม่ กินต่อกี่ถ้วยกี่ครั้งเดี๋ยวมันก็หมดอีกเดี๋ยวหมดมันก็ทุกข์อีกถ้าอยากจะไม่ทุกข์กับกาแฟก็อยากไปอยากดื่มกาแฟอาจความอยากดื่มกาแฟไปพอไม่มีความอยากดื่มกาแฟก็ไม่ต้องทุกข์กับเรื่องของกาแฟมีกาแฟหรือไม่มีกาแฟก็ไม่ทุกข์ไม่มีใครรู้มีพระพุทธเจ้าเป็นคนค้นพบความจริงอันนี้ว่า เวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิแล้วทุกข์ทุกข์ก็เพราะความอยากนี่อะไรเวลาอยู่ในสมาธิความอยากมันไม่ทํางานมันเลยไม่ทุกข์แต่ไม่รู้ว่าเวลาที่อยู่ในสมาธิมันไม่ทุกข์เพราะอะไรไม่มีใครรู้เพียงแต่รู้ว่าเวลาจิตมันสงบแล้วมีความสุขแต่มันไม่รู้ว่าความสุขมันเกิดจากการไม่มีความอยากตอนนั้นความอยากมันไม่ทํางาน พอออกจากสมาธิมาความอยากเริ่มทํางานทันทีเริ่มอยากดูอยากฟังอยากอะไรทันทีแล้วพอไม่ได้ดูไม่ได้ฟังก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีขณะอยากก็ทุกข์ละเวลาอยากก็กวนกวายกระสับกระส่ายอยากดื่มกาแฟอยากสูบบุหรี่นี่ยังไม่เวลารอให้เขาเอามาให้ตอนนั้นก็กวนกวายกระสับกระส่ายแล้ว อ, อันนี้ เป็นสิ่งที่นัก บ, บวชคนอื่นไม่มีไม่ไม่มีใครรู้ว่าเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิใจทําไมยังทุกข์ได้อยู่รู้ว่าเวลาอยู่ในสมาธิใจไม่ทุกข์แต่เวลาออกจากสมาธิมาใจยังทุกข์อยู่ไม่มีใครรู้ว่าอะไรทําให้ใจทุกข์ตอนที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิมีพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นคนที่ค้นพบว่า ไอสิ่งที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือความอยากงนั้นเวลาออกจากสมาธิมาต้องหยุดความอยากอย่าไปทำตามความอยากอยากดื่มกาแฟก็อย่าไปดื่มมันบอกไม่เอาไม่เอาดื่ม้วทุกข์ดื่ม้วต้องดื่มอยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเวลาไม่มีดื่มก็จะทุกข์ถ้าเรามีกำลังใจมีสมาธิเราจะสู้ความอยากดื่มได้เราจะหยุดมันได้ พอเวลามันอยากจะดื่มเราก็หยุดความคิดที่อยากจะดื่มนั้นพุโทโธพุโทโธไปแทนเดี๋ยวก็ลืมเรื่องความอยากเรื่องกาแฟไปพอลืมเรื่องกาแฟไปความอยากดื่มกาแฟก็หายไปเราก็จะฝืนความอยากได้ต่อไปความอยากต่างๆที่ทำให้เราทุกข์ก็จะหมดไปเพราะเราจะไม่ทำตามความอยาก เราจะกำจัดมันด้วยการไม่ทำตามมันถ้าเราทำตามความอยากความอยากมันก็จะมีกำลังที่จะอยู่ต่อที่จะมาอยากต่อ <c oughs> ไม่เชื่อลองทำดูสิ้าอยากดื่มกาแฟลองเลิอกอยากดื่มดูต่อไปจะไม่ต้องดื่มกาแฟร่างกายมันไม่ต้องการกาแฟร่างกายมันต้องการน้ำเปล่า ไม่ต้องมีลสกาแฟมันไม่มีแล้วไม่มีมันไม่สําคัญร่างกายมันต้องมีน้ํำดื่มแต่ใจมันมันต้องการลดของกาแฟมันก็เลยอ้างว่าร่างกายหิวน้ําก็เลยต้องดื่มน้ํากาแฟถ้าจะดื่มเพื่อร่างกายนี่ดื่มน้ําเปล่าเป็นประโยชน์กว่าไม่มีโทษดื่มกาแฟไปมันทําให้ตาหูสว่างนอนไม่หลับนะ อันนี้มันไปกระตุ้นประสาทของร่างกายทำให้ร่างกายนอนไม่หลับ น, นี่คือความรู้หรือปัญญาที่ไม่มีใครรู้นานๆจะมีคนที่สามารถเห็นความจริงที่คนอื่นเห็นเห็นไม่เห็นกัน เช่นสมัยก่อนก็คนอื่นคนส่วนใหญ่ก็เห็นว่าโลกนี้แบนใช่ไหมแต่ก็มีคนที่มันบอกว่าไม่แบนมันกลมเว่ามันส่งกล้องขึ้นไปดูดวงดาวดวงอะไรมันกลมหมดเนี่ยโลกที่ไหนมันกลมไม่หมดพระจันทร์ดาวคานดาวอะไรมันกลมทั้งนั้นแล้วโลกนี้มันจะมาแบนโลกเดียวได้ มันก็เลยบอกว่ามันไม่เชื่อว่าแบนแล้วมันก็คิดด้วยว่าแล้วเวลาเรือที่มันวิ่งเข้ามาจากทะเลเนี่ยทําไมมันถ้ามันแบนมันก็ต้องเห็นเรือทั้งลําพร้อมกันเนะทําไมไปเห็นเสากระโดงก่อนทําไมไม่เห็นตัวเรือพร้อมกันถ้ามันแบนมันก็ต้องเห็นพร้อมกันหมดนแสดงว่ามันทางโค้งเนี่ยอผิวทะเลนี่มันโค้งเหมือนคนขี่ม้าข้ามเขามาเนี่ยทําไมไม่เห็น คนขี่กับม้าพร้อมๆกันทำไมไปเห็นคนขี่ก่อนเห็นตัวมา้าเพราะคนขี่มันสูงกว่านพอเราเราเมาทางโค้งมันก็ต้องมันก็ต้องเห็นสัดส่วนที่สูงกว่าก่อนถึงจะเห็นสัดส่วนที่ต่ําต่อมาได้เขาก็เลยท้าพิสูจน์แล้ ว, ว่าโลกนี้ต้องกลมไม่แบน นั่งเรือออกไปไม่ต้องกลัวตกขอบโลกตกขอบทะเลคนเลยก้านั่งเรือออกไปเลยได้ไปค้นพบทวีปใหม่ใหม่ใช่ไมสมัยก่อนไม่มีไม่มีใครรู้ว่ามีทวีปอเมริกาอยู่ทวีปอเมริกาอเมริกาใต้ไม่มีใครรู้รู้แต่ทวีปยุโรป ก, กับเอเชียเพราะมันเดินทางติดต่อกันได้แต่ตอนหลังเขาเขมาพิสูจน์ว่าโลกเป็นกลมใช่ เนี่ยมันมีนานๆจะมีคนอย่างคิดอย่างนี้สักคนหนึ่งที่คิดไม่เหมือนคนทั่วไปหรือทำไมผลไม้เวลามันหลุดออกมาจากขั่วมันถึงตกลงมาทำไมมันไม่ลอยขึ้นไปมีใครเคยคิดอย่างนี้ม atheist, palm, ันมีใครมีใครเคยถามบ้างไหมทำไมไม่เวลามันออกหลุดมาจากขั้วทำไมมันไม่ลอยขึ้นไปบนฟ้าทำไมมันตกลงมาทำไมของทุกอย่างเวลาเราโยนขึ้นไปมันจะต้องตกลงมาหมด ก็มีคนมานั่งคิดว่าก็เพราะมันต้องมีอะไรดึงมันลงมาสิมันถึงจะลงมาใช่ไหมเวลาเราโยนขึ้นไปนี่เราก็โยนแล้วก็ดึงมันขึ้นไปแต่พอดึงขึ้นไปได้สักพักเดี๋ยวมันก็ลงมาเขาก็เลยสรุปว่ามันต้องมีอะไรมีแรงดึงดูดเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าโลกนี้มีแรงดึงดูดดึงให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกนี้ไม่ลอยออกไปนอกโลกไมเงินของทุกอย่างที่มันเราไม่ได้ผูกไม่ได้มัดเอาไว้มันก็ลอยไปหมดแล้ว เขาก็เลยพบว่ามันโลกนี้มีแรงดึงดูดแต่เวลายานวากาศที่ออกไปอยู่นอกแรงดึงดูดของโลกทุกอย่างมันก็ลอยไปใชเห็นหมที่นักยานวากาศเขาถ่ายรูปมาเห็นไหมตัวก็ลอยไปลอยมาเพราะไม่มีอะไรดูดให้เขาติดอยู่กับพื้น <c oughs> มันก็เลยทำให้เขาสามารถหาคน ทำอะไรที่จะมาทำให้เขาลอยกันได้แต่เมื่อเขารู้ว่าถ้าเราสามารถผลิตอะไรที่มีกำลังที่จะดึงร่างกายของเราให้มีกำลังมากกว่าแรงดึงเดือดของโลกเราก็ลอยได้เขาก็เลยสร้างจ ร, รวดสร้างเครื่องบินสร้างเฮลิคอปเตอร์กันขึ้นมาใช้ใบพัดหมุนเข้าหมุนเข้าแล้วมันก็จะมีแรงดึงให้ร่างกายนี้มีลอย จากการจากลังดุ้งดของโลกได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของคนฉลาดที่นานๆจะมีมาโผล่มาสักคนหนึ่งแต่พอโผล่มาคนเดียวสามารถมาทำประโยชน์ให้กับคนทั่วไปได้พวกเราทุกวันนี้เดินทางไปไหนสะดวกสบายไหมสมัยก่อนปู่ย่าตายายนี่ตกพายเรือกันหรือไม่ต้องเดินกัน สมัยหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านเดินทุดดงกันจากอุดรไปเชียงใหม่ไม่มีรถไม่มีอะไรใช้เท้าเดินกันไปสมัยนี้พวกเราสามารถนั่งรถนั่งอะไรบินไปกันปั๊บเดียวก็ถึงเพราะความฉลาดของคนคนเดียวความคิดของคนคนเดียวเป็นผู้รเริ่มให้คนอื่นคิดตามแล้วสามารถผลิตอะไรต่างๆมากม า, กกายกายกองขึ้นมาได้ อันนี้ก็เหมือนกันของทางาศาสนาพุทธก็มีพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เป็นคนค้นพบว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากของเราและสิ่งที่เราอยากได้มันก็ไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้ไปตลอดเพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นเวลามีมันก็สุขแต่พอเวลามันหมดนี่ก็ทุกข์ขึ้นมา เาทั้งสองคนพบว่าถ้าอยากจะมีความสุขแบบไม่มีความทุกข์ก็ต้องทําใจให้สงบใจจะสงบก็ต่อเมื่อเราหยุดความอยากต่างๆได้กําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปได้การที่เราจะกําจัดความอยากได้เราต้องควบคุมความคิดให้ได้เพราะความคิดนี้เป็นเครื่องมือของความอยากเราต้องคิดก่อนมันถึงจะอยากคิดถึงกาแฟก่อนมันถึงจะอยากดื่มกาแฟน คิดถึงภาพยนตร์มันถึงอยากยากจะดูภาพยนตร์คิดถึงคนนั้นมันถึงอยากจะไปหาคนนั้นถ้าไม่เคยคิดถึงมันก็ไม่มันก็ไม่มีมความอยากที่จะไปหาคนนั้นนี่ะนั้นพระพุทธเจ้าสองคนพมวิธีที่จะกำจัดความอยากตอนต้นคนพบว่าอะไรเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจแล้วก็รู้จักวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ใจนั้นได้อย่างไร เพราะกำจัดด้วยการใช้สตินี่หยุดมันอย่าปล่อยให้มันคิดอย่าปล่อยให้มันคิดถึงลาบยศสรรเสริญ<ฮ>ถึงรูปเสียงกลิ่นรสให้มันคิดถึงเรื่องอื่นแทนให้มันคิดถึงพุทธโธพุทธโธแทนหรือให้มันคิดถึงการดับของสิ่งต่างๆการสิ้นสุดของสิ่งต่างๆที่เราอยากได้พอเราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มันจะต้องมีวันสิ้นสุด เราก็ไม่อยากได้เลยได้มาทาไมได้มาแล้วเสียถ้าเขาให้เราเขาบอกว่าเขาจะให้เงินเราสิบล้านแต่ให้เราใช้ภายในหนึ่งเดือนพอหมด1ึงเดือนเขาจะต้องค่าเรางี้เราจะเอาไหมทำไมไม่เอาอะให้ต้องสิบล้านพราจะต้องตายใช่ไหมแล้วทำไมเวลามาเกิดจไม่รู้เลยว่าจะต้องมาตายกันก็เหมือนกันเนี่ยก็ใกล้เรามาเกิด แล้วก็ให้เรามาหาเงินหาทองหาอะไรต่างๆที่เราอยากหากันหาได้เท่าไหร่หาไปเลยเขาบอกแต่เดี๋ยวถึงเวลาแปดสิบเก้าสิบเขาเขาจะต้องเอาชีวิตเราไปแล้วทำไมเราไม่เอาทาไมเราเอาอ่ะนะพราอเราพราะเราไม่รู้จะทำยังไงมันเราอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วมันทุกข์ แล้วอีกแปดสิบเก้าสิบปีมันอีกนานก็เลยอย่าไปคิดถึงมันก็แล้วกันทำไปลืมๆไปใช่ไหมเราพยายามไม่คิดถึงความตายกันใช่ไหม ถ, ถ้าคิดแล้วมันก็จะไม่มีกำลังใจที่จะไปหาอะไรมาทำกันมาหาอะไรมาให้ความสุขกันเนี่ยพวกเราพยายามลืมความตายกันลืมมันนิจจังกันเนีไม่ยอมมองอนนิจจังกันมันก็เลยทำให้เราอยู่กับอ่เออยอะอยู่กับการหาสิ่ ง, งต่างๆได้ อยู่กับความสุขที่เรากาลังหากันแต่เราไม่รู้ว่าเป็นความสุขที่เราไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องหมดไปแต่ถ้าคนที่รู้จักคิดก็คิดว่ากูจะต้องตายแน่ๆกูไม่เอาความสุขแบบนี้ดีกว่าไปหาความสุขแบบที่ไม่ต้องตายดีกว่าความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายต่อไปก็ไม่ต้องมีร่างกายเพราะร่างกายอันนี้ตายไปก็ไม่ต้องไปมีร่างกายใหม่ สามารถหาความสุขแบบที่ไม่ต้องมีร่างกายได้ไม่ต้องใช้ร่างกายและเวลาที่มีร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราอใจมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายและความสุขนี้มันยิ่งใหญ่กว่าความทุกข์ของทางร่างกายความทุกข์ทางร่างกายเลยไม่มีปัญหา ใจที่มีความสงบนี่มีความสุขที่ครบที่ครอบงาความทุกข์ของร่างกายได้อดยาขาดแคลนจะไม่เดือดร้อนพวกที่เขามีความสงบนี่เขาอดข้าวเป็นวันๆได้เขาไม่เดือดร้อนอยาโยมนี่อดข้าวเย็นนี่จะตายกันแนะเพียงนึ่มื้เดียวนี่จะตายกันเลย ทำใหพระเขาอดกันได้เขาไม่กินข้าวเย็นกันเพราะตอนเย็นก็มีความสงบแทนเขาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกันเขาเอาความสงบมาแทนมาให้ความสุขแทนอาหารแต่พวกญาติโยมนี้ต้องกินอาหารกันถึงจะมีความสุขในวันนี้วั น, วนพระนี่จะเอาศินแปดดีไม่ดีก็ลองไปนั่งคิดดูคนที่นั่งสมาธิเป็นเขาก็ถือสินแปดกัน ตอนที่นั่งไม่เป็นก็ไม่ไหวสู้ไม่ไหวขอขอขอผัดไปก่อนอ น, นี่แหละคือความรู้คือปัญญารู้ว่าความทุกข์คืออะไรความสุขคืออะไรคือความทุกข์คือสิ่งต่างๆที่เราหากันนี่แหละหาทางผ่านทางร่างกายนี้เป็นทุกข์หมดเพราะมันจะต้องหมดเวลามีมันไม่ทุกข์แต่เวลามันหมดมันทุกข์ ในเวลาร่างกายมันหมดความสามารถที่จะหาความสุขได้มันก็จะทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าหาความสุขจากการใช้สติหยุดความคิดหยุดความอยากได้อันนี้จะไม่มีปัญหาเพราะสติไม่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายสติขึ้นอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจที่ไม่มีวันตายถ้ามีสติแล้วใจสามารถรักษาได้ไม่มีวันเสื่อมไม่เหมือนร่างกาย ร่างกายจะแข็งแรงขนาดไหนเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมตอนนี้เป็นหนุ่มเป็นสาวมีกำลังวังชาแข็งแรงสามารถหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แต่เดี๋ยวต่อไปจะไม่สามารถทำได้เพราะพอมันเริ่มแก่เรี่ยวแรงมันก็หมดไปที่ละเล็กที่ละน้อยเดี๋ยวต่อไปก็ไม่สามารถหาความสุขได้ก็อยากจะฆ่าตัวตายเห็นไหม คนที่มีอายุถึงร0อยปีก็ยังยังต้องค่าตัวตาย <Yeah. S 1> เพราะไม่สามารถหาความสุขได้มีแต่โรค ล, ลุมเล้ามีแต่ความเจ็บทางร่างกายแต่ไม่มีความสุขทางใจมากบมันแต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความสงบนี้ร่างกายท่านแก่ขนาดไหนท่านก็อยู่กับมันไปหลวงปู่ชอบนี่ท่านเป็นธรรมเพิกรรมภ า, าท่านก็อยู่กับมันไป แต่ใจท่านยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานไม่ได้ทุกข์กับความทุกข์ของร่างกายเลยยังสามารถสอนธรรมะให้ลูกศิษย์ลูกหาได้อย่างอย่างสบายไม่เดือดร้อนนี่แหละคือความรู้คือปัญญารู้ว่าอะไรคือสุขรู้ว่าอะไรคือทุกข์นืรู้ว่าความสุขทางร่างกายเป็นทุกข์ความสุขทางใจนี้เป็นสุข ถ้าอยากจะหาความสุขให้หาความสุขทางใจกันด้วยการมาฝึกสติกันมาหยุดความคิดกันหยุดความอยากกันพอใจสงบใจหยุดความคิดหยุดความอยากนี้มีความสุขมีความอิ่มใจขึ้นมาเย็นนี้ไม่หิวข้าวเย็นรับรองได้ถ้าจิตสงบมีความสงบแล้วมันจะอิ่มใจจนกระทั่งมันไม่ไม่เดือดร้อนกับความหิวของทางร่างกาย ร่างกายจะหิวก็ไม่เป็นไรรู้อยู่แต่ไม่เดือดร้อนร่างกายเจ็บก็ไม่เดือดร้อนร่างกายตายก็ไม่เดือดร้อนนี่แหละคือความรู้ที่เราจะได้จากการที่เราอ่านหนังสือธรรมะกันหรือมาฟังเทศฟังธรรมกันเราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสุขแล้วเราจะได้ไปหาความสุขกัน ตอนนี้เราไปหาความสุขที่เป็นทุกข์กันเพราะเราไม่เห็นทุกข์เราไม่เห็นว่ามันจะต้องหมดเราไม่เคยคิดว่ามันจะต้องหมดของที่เราหามาได้มันก็ต้องหมดร่างกายที่เป็นเครื่องมือใช้มันและเสพมันก็ต้องหมดพอตอนที่มันหมดเราทำยังไงเราก็ไม่มีอะไรจะเสพกันไม่มีความสุขกันแต่ถ้าเรามาเสพความสุขทางใจ ใจไม่มีวันหมดใจไม่มีวันเสื่อมใจไม่มีวันตายสติที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อหยุดความอยากหยุดความความคิดต่างๆมันก็ไม่มีวันหมดมันสามารถหยุดความคิดหยุดความอยากทําใจให้สงบให้ใจมีความสุขได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ต้องไปมีร่างกายใหม่พอร่างกายนี้ตายไปไม่ต้องไปขับรถหาที่จอดรถใหม่ะ เลิกเลิกใช้ร่างกายอยู่แบบไม่มีร่างกายเราก็อยู่แบบไม่มีร่างกายกันทุกวันตอนที่เรานอนเราก็ไม่มีร่างกายใช่ไหมเราไม่ได้ใช้ร่างกายตอนที่เรานอนตอนนั้นเราอยู่แบบไหนเราอยู่แบบเอาศัยบุญอาสายบาปที่เราทําไว้เวลาเรานอนหลับเราก็จะฝันกันถ้าเราฝันดีก็บุญเป็นผู้ผลิตความฝันนั้นถ้าเราฝันร้าย บาปก็จะเป็นผู้ผลิตความฝันนั้นแต่ถ้าเรามาฝึกสติทาใจให้สงบได้เราจะหยุดความฝันได้ทั้งหมดเลยฝันดีฝันร้ายนี่หยุดมันได้หมดเพราะความฝันมันก็ออกมาจากความคิดนี่เองแต่เมื่อเราสามารถมีสติควบคุมความคิดได้เราก็จะควบคุมความอยากได้ควบคุมบุญควบคุมผลบุญผลบาปที่จะโผล่ขึ้นมาในใจเราได้เพราะการควบคุม นี่มันดีกว่ามันสุขกว่าความสุขที่ได้จากการฝันดีนี่สู้ความสุขที่เกิดจากความไม่ฝันไม่ได้ความสงบนี่มันมีความสุขเหนือกว่าความสุขที่ได้จากการที่เราไปฝันว่าเราได้ไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่น ไ, ปนไปดูไปฟังไปกินไปดื่มเพราะมันเป็นความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายซึ่งสู้ความสุขที่เกิดจากความสงบไม่ได้응อันนี้แหละ เราจะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมไม่ได้อ่านหนังสือธรรมะของผู้ปฏิบัติของผู้ที่ได้รู้ว่าอะไรคือความสุขอะไรคือความทุกข์ เราก็ถ้าเราไม่อ่านเราจะไม่รู้ไม่ฟังเราจะไม่รู้เราก็จะติดอยู่กับการหาความทุกข์ไปเรื่อยๆโดยไม่รู้สึกตัวโดยคิดว่ากําลังหาความสุขกันเราก็จะไปจับงูเหา่าแทนที่จะไปจับปาลาไหลกันเอแล้วก็โดนงูเห่ากันกันแล้วก็มาร้องโหน่งร้องไห้กันเอแต่ถ้าเราไปหาความสงบแล้วรอบรองได้ว่าเราจะไม่มีความทุกข์ จะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจจะไม่มีความวุ่นวายใจแต่ถ้าเราหาลาภยศสรรเสริญหาลูกเสียงกิริลดรถผดทะพะนี่เราจะต้องวุ่นวายใจตลอดเวลาต้องกังวลต้องวิตกต้องเสียอกเสียใจต้องซึมเศร้าวเวลาหาไม่ได้โลกซึมเศร้าก็เกิดจากการที่เราหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายไม่ได้มันก็เลยซึมเศร้า ถ้าได้ไปเที่ยวได้หาความสุขมันไม่เศร้าหรอกมันไม่ซึมหรอกมันดีมันดีอกดีใจกันแต่มันจะต้องมีวันหนึ่งที่เราจะไม่สามารถหามันได้ร่างกายอาจจะหมดสภาพหรือเงินทองหมดนี่มันก็หาไม่ได้ตอนนั้นความซึมเศร้าก็จะลุมเล้าจิตใจของเราแต่ถ้าเรามาฝึกสติมาหยุดความคิดหยุดความอยากได้ใจเราจะไม่มีวันซึมเศร้า ใจเราจะมีแต่ความเบิกบานผ่องใสยิ้มแย้มแต่มใสตลอดเวลาอมีความสุขตลอดเวลาอย่างเศรษฐีคนหนึ่งที่ไปบวชเป็นพระบวชมรู้พอหยุดความคิดหยุดความอยากได้นี้อุทานอยู่เรื่อยๆสุขเนาะสุขหนอเดินไปไหนมาไหนก็บวชก็สุขเนอสุขหนอพุ่มพันไปพระเนนเห็น พระรูปนี้ก็เลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้ไม่สำรวมเลยเดินไปไหนมาไหนก็พุ่มพำ ม, มพุมพำมว่าสุขหนอสุขหน อ, หนอพุทธเจ้าก็เลยเรียกมาสอบถามถามว่าทําไมเธอไม่มีสติหรือไงถึงเดินพุ่มพำมพุ่มพำมบอกผมมีครับแต่เพียงแต่ว่าผมไม่เคยพบกับความสุขแบบนี้มาก่อนความสุขที่เกิดจากการมีสติหยุดความคิดหยุดความอยากนี้ สมัยเป็นผมเป็นเศรษฐีผมมีเงินทองมากมายกว่าตอนนี้แต่ผมกลับไม่มีความสุขเหมือนกับตอนที่ผมมีตอนนี้เลยตอนที่ผมมีสติควบคุมความคิดควบคุมความอยากของผมได้พระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ไม่เป็นไรอย่างนี้สำรวมมีสติไม่ได้ไม่มีสติแต่พึ่งรรมอุธานเอามาด้วยปิติความปิติความสุขมันทาให้บางทีมันอ่มั น, ม, นมันกันไม่อยู่ อะไรปล่อยออกมาสุขนนอสุกหนอไปไหนก็สุขหนอสุกหนอะกาเป็นเศรษฐีมีแต่ทุกหนอทุกหนอต้องคอยกังวลว่าเงินทองจะล้วดไหลหรือเปล่าเงินทองจะหายไปหรือเปล่าจะหดไปหรือเปล่าทำยังไงให้เงินทองมันเพิ่มมากขึ้นไปมีแต่ความวุ่นวายอยู่กับเรื่องของเงินทองมีเงินทองกับไม่มีความสุขพอมาบวชเป็นพระไม่มีเงินทองกับมีความสุข พอมีสติควบคุมความคิดควบคุมความอยากได้ใจก็สงบมีความสุขตลอดเวลานี่แหละนะคือเรื่องของการได้อ่านได้ฟังธรรมะเราจะได้รู้ว่าอะไรคือสุขอะไรคือทุกข์เนี่ยตอนนี้เรากลับมองกับตาลัตาเรากลับไปเห็นการปฏิบัตินี้เป็นทุกข์ไม่มีใครอยากจะปฏิบัติกันถือศีลแปลก็เป็นทุกข์เพราะอดข้าวเย็นกันก็เลย ไม่ชอบปฏิบัติกันไม่ชอบซึกไม่ชอบเจริญสติไม่ชอบนั่งสมาธิกันเพราะเวลานั่งแล้วมันทุกข์มันเลยไม่อยากนั่งตอนต้นมันทุกข์เพราะว่ามันต้องต่อสู้กับกิเลสตัณหาตัวที่ชอบไปหาความทุกข์กันหาความทุกข์จากการกินก า, การดื่มการดูการฟังพอมาปฏิบัติมันต้องเลิกกินเลิกดื่มเลิกดูเลิ ก, เลกฟังต้องมานั่งเฉยๆมันก็เลยทุกข์แต่ถ้านั่งได้ถ้าหยุดความ อยากได้เมื่อไหร่ความทุกข์จะหายไปหมดแล้วจะกลายเป็นความสุขขึ้นมานะฮะนี่คือสิ่งที่เราจะได้รู้ได้ฟังจากการที่เรามาศึกษาธรรมะกันเมื่อรู้แล้วสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือต้องเลือกทางแนละ้วจะไปทางทุกข์หรือไปทางสุขถ้าไปทางทุกข์กอย่ามาบน่นอย่ามาว่าคนนั้นคนนี้เพราะเราเป็นคนตัดสินใจไปเอง ไม่มีใครบังคับเราทางที่ไปมีสองทางทางสุขกับทางทุกข์ทางทุกข์ก็คือทางร่างกายทางสุขก็คือทางใจทางสติทางปัญญาก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็จะขออนุโมทนาให้พรยทาวเรวาหาปุราปริปุเรนติสาขรารัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปฏิอิชิตังปะชิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเเอปเรนโตสังกปาจันโทปัญาราโสยตาเมนิชอดีระโสยตาสัพพิทิโยวิวัจจันโตสัพพารโควินัสสตุ มาเตภวตวันตารายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิลิตสะนิจังวุธาปจายโนจตารุธรมมวัฏฐานติอายุวันโอสุขังภาลามวันนี้เขามาเท่าไหร่ วันนี้ทางเฟ e b o o k เข้ามาที่433ย t u b บ146วิทยุ33รับฟังอยู่ข้างบนนี้43คนรวมทั้งหมดเป็น655ครับมีใครอยากจะถามอะไรไหมช่วงนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาใครมีคำถามอยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติก็เชิญถามได้ ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางบ้านเขาถามก่อนถ้าทางบ้านมีคำถามก็เอามาถามได้คำถามจากคุณมาเรียมอยากทราบว่าระหว่างพระไตรปิฎกกับสัตธรรมบุนทริกกสูตรคำสอนอันไหนคือเป็นคำสอนที่สูงสุดไม่เข้าใจ ก็ไตา่ไปดกมันก็มีรวมคําสอนที่สูงสุดอยู่แล้วนะสัจธรรมอันนี้ไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนไม่เคยได้ยินเพิ่งได้ยินวันนี้คือธรรมะคําสอนพระพุทเจ้านี้ท่านแบ่งเป็นระดับระดับปฐมมัธยมระดับอุดมศึกษาเป็นความรู้ที่ผู้ศึกษาก็ต้องศึกษาและปฏิบัติไปตามขั้นตามตอน ตามกําลังของตนขั้นแรกข้านั้นก็สอนให้มีศรัทธาศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้ายังไม่มีศรัทธาก็พยายามปลูกศรัทธาขึ้นมาวิธีจะสร้างศรัทธาก็ให้เขาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาพอเกิดศรัทธาแล้วจะได้มีความยินดีที่จะปฏิบัติตาม ก็ปฏิบัติขั้นง่ายก่อนง่ายขั้นง่ายก็คือขั้นทาบุญนะขั้นพอทาบุญได้ก็ขยับขึ้นไปสู่ขั้นรักษาศีลรักษาศีลห้าศีลแปดไปหรืออยากจะบวชเป็นพระก็รักษาศีลสอง้อยีบเจ็ดไปหรือสามร้อยสิบเอ็ดไปถ้าเป็นเพิกษุนีพอบวชเป็นพระมีศีลแล้วก็จะได้ปฏิบัติสมาธิได้อย่างเต็มรูปแบบ ก็จะเดิญสติควบคุมความคิดเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วพอจิตควบคุมได้แล้วก็สอนจิตให้รู้ถึงโทษของการทำตามความอยากให้รู้ว่าการทำตามความอยากนี้นำไปสู่ความทุกข์ไม่มีวันสิ้นสุดนำไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆพอรู้ว่าทำไมต้องเลิกความอยากเวลามีความอยากก็จะได้เลิกมันฝืนมัน ไปความอยากก็จะหายไปหมดไปจากใจอันนี้ก็เป็นธรรมะที่พระเจ้าสอนในพระสูตรต่างๆบางครั้งก็งส่งแสดงเรื่องศรัทธาบางครั้งก็งส่งแสดงเรื่องการทำบุญทำทานบางครั้งก็สแสดงเรื่องสมาธิเรื่องศีลแล้วแต่ผู้ฟังว่าอยู่ในระดับไหนยุคแรกๆนี้ท่านจ ะ, สะแสดงเรื่องปัญญาสแสดงทำช่วงแรกๆเพราะท่านสอนให้กับพวกนักบวช ที่มีศีลสมาธิแล้วขาดปัญญาท่านก็เลยสอนทางปัญญานำมาจากกัปปวัต น, นสูตรการแสดงธรรมข้างล่าก็แสดงเกี่ยวกับเรื่องปัญญาล้วนๆเรื่องอริยสัจสี่เรื่องตายรักเรื่องมรรคแปดเนี่ยต่อมาคนที่มีอยู่ในระดับที่ไม่มีที่ต่ากว่านั้นท่านก็สอนตักวันนั้นลงไป สอนให้ฝึกสติก่อนสติประฐานสูตรก็สอนให้ฝึกเจริญสติเมื่อจะได้มีสมาธิแล้วแล้วแต่บางทีท่านก็สอนแบบคบครอบคุมหมดมงคลละสูรนี้สอนขั้นตอนของความเป็นสิริมงคลสาสขั้นตอนแต่อยากจะมีความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ให้ทําตามที่พระเจ้าสอนในมงคลลสูตรสามสิบแปดข้อข้ อ, ขอที่หนึ่งสอนให้ไม่ให้คบคนโง่ให้คบคนฉลาดคนโง่ก็คือคนไม่รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสุขเพราะเราชอบคบคนโง่กันพอชอบชวนเราไปเที่ยวกันชอบแล้วชวนเราไปกินไปเดื่บไปเล่นกันพวกโง่ทั้งนั้นพวกฉลาดก็จะชวนเราไปวาดกันไปนั่งสมาธิไปปฏิบททัติธรรม แต่เราไม่ชอบคนฉลาดเราชอบคนโง่เนีมันก็เลยวุ่นวายกันทุกันอยู่นะให้คบคนโง่ไม่ให้คบคนโง่ให้คบคนบันให้คบบัณฑิตคนฉลาดบัณฑิตก็คือคนเข้าวัดเนี่ยเป็นคนบัณฑิตคนที่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การทำบุญทำทานอยู่ที่การรักษาศีลอยู่ที่การภาวนาอันนี้ตัวอย่างของมองคลละสูตร อันจะสอนสามสิบปดข้อจนถึงขั้นถึงพันิพาลเลยการทําพันิพาลให้แจ้งนี่เป็นมงคลอย่างยิ่งทำพันิพาลให้แจ้งก็คือทําใจให้หลุดให้บริสให้หลุดจากกิเลสตัณหาให้กําจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปพอใจไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาแล้วใจก็จะสงบเต็มที่ นี่เรียกว่าทำนิพพานนิพพานก็คือความใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่ปราศจากกิเลสตัณหานี้เองเนี่ยอยู่ในมุมคนละสูตรสามสิบแปดข้อขั้นตอนตั้งแต่เริ่มขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งก็คือการครบคนนี่สําคัญที่สุดคนดีคบกับคนฉลาดเขาก็พาเราฉลาดคบกับคนโง่อเขาก็พาเราโง่้อ ยังต้องรู้จัก ร, รู้จักว่าคนฉลาดเป็นยังไงรู้จักคนโง่เป็นยังไงแต่เราก็ไม่รู้อกีกเราคิดว่าพวกที่จบด็อกเตอร์นี่ฉลาดมันก็ไม่ฉลาดเลยด็อกเตอร์ยังกินเหล้าด็อกเตอร์ยังมีเมียน้อยอยู่ <Panther. S 1> นี่เนี่ยมันฉลาดได้ไงมันเป็ น, นการทําบาปโดยที่ไม่รู้ตัวด ok ็อกเตอร์ยังชอบเล่นการพนันอยู่นี่ต้องคบคนที่ไม่เล่นการพ น, นันคนคนที่ไม่ไ ม, ไม่ทําบาปเี่ยถึงจะเป็นคนฉลาด แต่เราดูคนฉลาดไม่เป็นเรากลับเห็นคนฉลาดเป็นคนโง่กลับเห็นคนโง่เป็นคนฉลาดไปเพราะเรามันโง่มองคนไม่เป็นอ่ว่าข้อต่อไปคำถามจากคุณมหาสมุทรฝรั่งที่ไม่ใช่ชาวพุทธมีการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนชาวพุทธหรือไม่ แล้วตายแล้วไปไหนแล้วจะทําบุญไปให้อย่างไรครับเหมือนกันพูดเรื่องอะไรจิตนี้มันไม่ได้มีพูดแล้วไม่มีคิดมันมีกฎแห่งกรรมเป็นตัวควบคุมทําบุญมันก็นอนหลับฝันดีตายไปก็ฝันดีไปจนกว่าจะเกิดใหม่ถ้าทําบามันก็จะฝันร้ายไปจนกว่ามันจะเกิดใหม่เวลาตายไปนี่เราเหมือนกับเรานอนหลับ เวลาเรานอนหลับแล้วก็ไม่ได้ใช้ร mm ่างกายเราก็ฝันที ask, ่เราฝันร้ายก็เพราะบาปมันบาปที่เราทําไว้มันทําให้เราไปฝันพอเราจะคิดถึงเรื่องที่เราทํามันอัดเทปไว้ไงมันอัดไว้ในใจเราทุกครั้งที่เราทําอะไรเนี่ยวันนี้เรากําลังอัดอัดเทปอยู่นะอัดเทปอยู่ในใจเราวันนี้เรามาทําบุญมันก็ฝังอยู่ในใจเราเกินี้เวลาไปนอนหลับฝันมันก็จะฝันว่าโอ้วันนี้ได้ไปทําบุญที่นั่นที่นี่อ่ะ มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเวลามันไม่มีร่างกายมันก็ต้องดูดูดูดูย้อนหลังเวลามันมีร่างกายมันก็มันก็ดูถ่ายทอดสดใช่อย่างตอนนี้มันถ่ายทอดสดอยู่แต่เวลาที่นอนหลับนี้ใจมันมันต้องมีอะไรให้มันดูอยู่เรื่อยไงมันก็เลยเอาความฝันมันเอาความคิดความจำที่มันไปทำอะไรมามาใช้ใหม่มาให้มันดูใหม่ถ้าเราไปทาอะไรดีๆไว้เราก็จะอ่านเรื่องที่ บันทึกเรื่องที่ดีไว้พอเรานอนหลับมันก็จะเอาเรื่องที่ดีมาให้เราดูเวลาที่เราไปทำอะไรไม่ดีเวลาเรานอนหลับมันก็จะเอาเรื่องที่ไม่ดีมาให้เราดูถ้าเราไปฆ่ากันไปแย่งกันไปโกรธกันไปเกลียดกันไปตีกันไปด่ากันว่ากันเดี๋ยวนอนหลับมันก็จะเอาเรื่องพวกนี้มันก็โผล่ขึ้นมาแล้วถ้าเรานอนหลับยาวคือร่างกายมันตายมันก็จะมีเรื่องเหล่านี้มาอยู่เรื่อยๆจนกว่า อนกว่าเราจะได้ร่างกายใหม่เติ่ขึ้นมาใหม่แล้วเราถึงจะหยุดฝันกั น, นเวลาตายไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเป็นแขกเป็นจีนจะาศาสนาไหนก็เหมือนกันทั้งนั้นจิตมันไม่มีาศาสนาจิตมันมีกฎแห่งกรรมเป็นผู้ที่ควบคุมบังคับมันคิดดีมันก็จะฝันดีคิดไม่ดีมันก็จะฝันไม่ดีทั้งนั้นเอง ฝันดีก็เป็นสวรรค์ฝันไม่ดีก็เป็นอบายเป็นเปรตเป็นนรกไปนีนรกไม่ใช่เป็นสถานที่สวรรค์ไม่ได้เป็นสถานที่มันเป็นความฝันของแต่ละคนเวลาที่ตายไปคำถามจากคุณพิกกราบนมัสการพระอาจารย์สาธุสาธุทำไมต้องสาธุด้วยครับความหมายคืออะไร บางครั้งเห็นต่อท้ายด้วยสาธุอนุโมทามิถ้าไม่สาธุจะมีผลอย่างไรหรือเปล่าบางครั้งผมสาธุตามเขาออกเสียงบ้างบางครั้งก็สาธุในใจครับก็มีเครื่องมือถือก็เขียนเข้าไปดิคำว่าสาธุมันก็โผล่ขึ้นมาแปลว่าอะไรคำว่าสาธุแปลว่าดีแล้วเห็นใครก็ทำอะไรดีแล้วกว็สาธุว่าดีแล้วยินดีด้วย อนุโมทนาก็เคยยินดีคาว่าอนุโมทนาก็เคยยินดีกับการกระทาของเขาสาธุก็บอกว่าดีแล้วเท่า น, นั้นเองไม่มีอะไรพิเศษจะสาธุก็ได้ไม่สาธุก็ได้ถ้าดีถ้าลายไอ้นี่ว่าเขาดีแล้วเราก็ต้องทำตามเขาจะดีกว่าไปสาธุมันไม่ได้ดีเราไม่ไม่ได้อะไรมาก ถ้าเห็นเขาทำบุญแล้วเราเห็นว่าดีแล้วก็ไปทำด้วยองี้เราจะได้บุญมากกว่าได้ความสุขมากกว่าที่จะมาพูดสาธุสาธุแต่การพูดสาธุก็เป็นการให้กำลังใจคนที่เขาทำความดีเหมือนกับว่ า, เ, าเราเราเห็นด้วยเห็นด้วยนะที่คุณทำความดีอี่างนีสาธุสาธุเท่านั้นเองความจรงสิ่งต่างๆที่คุณอยากจะรู้เนี่ยคุณมีคําตอบอยู่ในมือถือของคุณแนะ คุณอย่ามาพิมพ์ให้เสียเวลาถามเราเลยลอง้องถามมือถือก่อนถ้ามันตอบไม่ได้แล้วค่อยมาถามเราดีกว่ า, าสมัยนี้ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้มันพูดได้ไม่ใช่หรือเคยใช้ใช้คำพูดสั่งมันไม่ถาม ม, ามันไอมมันมันตอบภาษาไทยได้อย่างนี้ยังไม่ได้ต้องเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวฮะ ย, ยังเนี่ยภาษาไทยใช้ไม่ไดนะ้ต้องเป็นภาษาอังกฤษ อยากจะรู้พิซซ่าอยู่ที่ไหนถามมันด้วยมันโผล่ขึ้นมาเลยคุณอยู่ที่ไหนมันรู้ด้วยว่าเราอยู่ที่ไหนตอนนี้แล้วมันจะบอกร้านพิซซ่าที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนว่ยคุณมีของวิเศษนี่เหมือนกับถ้าเป็นสมัยก่อนเขาเรียกว่าตะเกีงวิเศษนะต้องการอะไรนี่ลูกปับ๊บมันก็ตอบให้เราเลยเนี่ยอันนี้ต้องการอะไรพูดเข้าไปมันก็จะตอบให้เราเลยฉะ น, นั้นมีของดีของวิเศษทําไมไม่ใช้มันทําไมต้องมาถามเราอ ถ้ามันถ้ามันไม่ตอบมันไม่รู้เข้ามาถามเราดีกว่าอันนี้ไม่ได้ห้ามนะเพียงแต่พูดให้ฟังว่าเรามีของดีอยู่ไม่ต้องมารอถามเราหรอกถา้าอยากจะรู้อะไรเนี่สานเขาเขียนข้อความเข้าไปในกู o ก l e เดี๋ยวมันก็โผลให้มาและคำตอบเยอะแยะไปหมดเลย <c oughs> คำถามจากคุณตุม๋มกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะอยากเรียนถามว่า การกรวดน้ำแห้งกับกรวดน้ำเปียกได้รับผลเหมือนกันไหมคะจะสวดมนต์กลางคืนบนห้องพระชั้นสองแล้วกรวดน้ำช่วงสุดท้ายจนตอนเช้าถึงจะเอาน้ำที่กรวดลงมาเทบนดินทำแบบนี้ได้ไหมคะบางคนบอกว่าเขาจะรอทั้งคืนต้องลงไปเทที่ดินเลยค่ะขอบพระคุณค่ะเอ๋อเรื่องการอุทิศบุญนี้ไม่ต้องมีน้ำหรอก น้ำนี้เป็นตัวอย่างของบุญเราปี่เราใช้เปรียบเทียบ ว, ว่าน้ำนี้เป็นเหมือนบุญเวลาเราเทน้ำก็เหมือนกับเราอุทิศบุญให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วคำว่าบุญก็คือความสุขใจอิ่มใจที่เกิดจากการที่เราได้ทำบุญพอเราทำบุญเราก็จะมีความสุขใจอิ่มใจเราก็สามารถแบ่งบุญนี้ให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้ด้วยการเพียงแต่ร ล, ลึกภายในใจว่า ขอทิศส่วนบุญนี้ให้กับคนนั้นคนนี้ที่ร่วงรับไปแล้วถ้าเขารอรับอยู่เขาก็รับไปได้ทันทีไม่ต้องมีน้ำไม่ต้องใช้น้ำน้ำไม่เกี่ยวน้ำเป็นเพียงแต่เป็นตัวอย่างให้พวกเราที่มองไม่เห็นบุญว่าบุญเป็นยังไงก็เลยให้เปรียบเทียบ ว, ว่าเหมือนกับน้าที่อยู่ในแก้วอยู่ในภาชนะที่เราเทเวลาเทไปก็เหมือนส่งบุญนี้ส่งน้านี้ไปให้กับผู้ที่เขารอรับอยู่เท่านั้นเอง นั้นเราสามารถอุทิศบุญได้โดยไม่ต้องมีน้ำไม่ต้องใช้น้ำคำถามครับกราบเรียนถามพระอาจารย์เคยได้ยินมาเจ้าค่ะว่าเทวดาสามารถกำหนดสมาธิลงมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ไหมเจ้าคะเพื่อสร้างบุญกุศลแต่ร่างทิพย์ยังอยู่บนสวรรค์ คือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมันกำหนดไม่ได้หรอกเวลามาเกิดตัวที่จะมากำหนดให้เราเกิดก็คือบุญกับบาปที่เราทำไว้เมื่อถึงเวลามันก็จะมะมันก็จะกำหนดให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็สูงเกิดตา่าก็อยู่ที่บุญที่บาปเราทำไม่มีใครมากำหนดได้มีมีบุญกับบาปหรือกฎแห่งกรรมนี่แหละเป็นผู้กำหนด ถ้าเราอยากจะเกิดดีก็ทำบุญไว้เยอะๆแล้วเวลามาเกิดมันจะเกิดดีถ้าอยากจะเกิดไม่ดีก็ทาบาปไว้แล้ว เ, เดี๋ยวก็มาเกิดแขนขาดขาขา ด, ขาดหูหนวกตาบอดเนี่ยพวกที่พิกลพิการเนี่ยพวกที่อายุสัน้นมีโรคคุมมีโรคมีโรคโรคติดตัวติดตติดตามตัวมาเนี่ยมักจะมาเป็นผลของการที่เคยได้ทำบาปเอาไว้ ถึงแม้จะไปใช้บาปในะบายแล้วมันยังมีตกค้างอยู่ในใจมันยังมีอิทธิพลต่อการมาเกิดเป็นมนุษย์ของเราอยู่จึงทำให้คนเรามาเกิดไม่เหมือนกันเนี่ยคนบางคนก็เกิดดีมีวาสนาบารามีบางคนก็มีอาภัพวาสนาบารามีเกิดมายากจนรูปร่างหน้าตาก็ไม่สวยไม่งามสติปัญญาก็ทึบ โรคภัยไข้เจ็บลุมเล่าอายุสั้นอาการไม่ครบสามสิบสองเนี่ยอันนี้เป็นอ น, นิสง์ของการได้ไปทำบาปมาส่วนพวกที่ได้ทำบุญลงมาจากสวรรค์นีจ่จะเกิดด้วยวาสนาเกิดมารวยบ้างเกิดมารูปร่างสวยงามหน้าตาสวยงามสุขภาพแข็งแรงอาการครบสามสิบสองหูไม่หนกตาไม่บอด อ, อายุยืนยาวนาน อันนี้ก็เป็นหน้ที่สมของบุญที่เราได้ทำไว้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามบุคคลที่ให้ทานรักษาศีลภาวนาจะต้องไปอบายไหมคะถ้าก่อนตายจิตหม่นหมองเพราะความเจ็บปวดทางกาย ถ้าต้องไปอบายจะต้องอยู่ในอบายนานเท่ากับคนที่ไม่มีศีลธรรมไหมคะ อ, อคนมีศีลธรรมไม่ไปอบายหรอกอบายสำหรับคนที่ไม่มีศีลคนที่ทําบาปไปอบายคนที่ไม่ทําบาปไม่ไปอบายคําถามจากคุณเพนจันทร์เราจะหาความสงบทางใจจากการทํางานในแต่ละวันได้อย่างไรเจ้าคะ เวลานั่งสมาธิเราสามารถมีความสงบทางใจได้ง่ายกว่าไม่ได้นั่งสมาธิก็ททำงานด้วยการมีสติให้ใจรู้อยู่กับงานที่กำลังทำอย่าไปคิดเรื่องอื่นอย่าไปอยากได้นูน่นได้นี่อย่าไปแม้กระทั่งทำงานก็อย่าไปอยากให้มันสำเร็จให้มันดีคือทำให้มันดีที่สุดแต่มันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น ถ้าไปอยากให้มันดีไม่แล้วเกิดมันมีอุปสรรคมันไม่ดีขึ้นมาก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาได้คือทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดทำด้วยสติแต่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วมันก็จะไม่ทุกข์ไม่เครียดที่เครียดกันเพราะบางทีมันอยากจะให้มันดีอยากให้มันสำเร็จแต่บางทีมันมีปัจจัยอย่างอื่นที่เราควบคุมบังคับไม่ได้คนอื่นที่ร่วมงานด้วย หรือลูกค้าที่เราต้องติดต่อด้วยเขาอาจจะเปลี่ยนใจเขาอาจจะไม่ทำตามที่เราได้ตกลงไว้มันก็ทำให้เรื่องที่เราคิดว่าจะสำเร็จไม่สำเร็จได้เราก็อย่าไปเสียใจกับมันเราก็ยอมรับความจริงไปว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่กับความจริงอย่าอยู่กับความอยากเวลาทำงานที่เราเครียดกันเพราะมันเครียดเพราะความอยากอยากให้มันสาเร็จอยากให้มันได้ดีได้อะไร แต่ความจริงมันบางทีมันไม่ได้เป็นไปตามความอยากของเราพอความจริงกับความอยากมันไม่ตรงกันมันก็ทำให้เราไม่สบายใจงั้นเราอยู่กับความจริงดีกว่าความจริงเป็นยังไงได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเหมือนเหมือนชาวนศคนที่ไปหาปลาไปหาปลาแต่ละวันก็ไม่รู้ว่าจะหาได้กี่ตัวใช่นหมก็พยายามหามากๆหานานๆบางวันก็ได้สิบตัวบางวันก็ได้ตัวเดียว ก็ให้ยินดีกับผลที่เราได้รับะตัวเดียวก็ดีกว่าไม่มีเลยให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะมีความสุขกับการทำงานอย่าทำด้วยความอยากทำด้วยเหตุด้วยผลอย่าทำด้วยความสามารถเต็มที่เต็มร้อยการกระทำเราต้องทำให้เต็มที่แต่ผลนี่เราไปบังคับไม่ได้เราเราบังคับเหตุคือการกระทำได้ เราบังคับให้เราทําให้เต็มที่ทุ่มเทให้เต็มที่แต่ผลที่จะเกิดนี่เราไปบังคับให้มันเกิดตามความต้องการของเราไม่ได้ดังนั้นอย่าไปอยากกับผลให้อยากกับเหตุให้ทําที่เหตุส่วนผลมันจะตามมาดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะมันมีบางอย่างที่เราควบคุมบังคับไม่ได้คําถามจากคุณเอ ขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับอุทธะในนิวรณ์กับในสังโยชน์เหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับอุทธะแปลว่าความฟุง้งซ่านความฟุ้งซ่านในนิวรณ์ก็เป็นความฟุ้งซ่านที่เราคิดเกี่ยวกับโลกทางโลกเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสเกี่ยวกับลาบโยศนละเสริญเวลานั่งสมาธิบางทีใจ ย, ยังห่วงเรื่องงานอยู่ฟุ้งซ่านอยู่กับเรื่องงาน วันนี้ไปทำงานแล้วยังไม่สำเร็จพอมานั่งสมาธิมันก็ยังไปคิดถึงเรื่องงานอยู่ว่าทำไงใ ห, ให้มันสำเร็จสักทีอันนี้เรียกว่าฟุงา้งซ่านทางนิวรณ์คนที่ยังไม่มีความสงบนิ้ใจอยาคิดแต่เรื่องงานเรื่องการเรื่องทางโลกอันนี้เรียกว่าอุทธจจะเป็นเหตุที่ทำให้จิตสงบไม่ได้และอุทธจจะในสังโยชนนี้เป็น อุทธจารที่ความฟุ้งซ่านที่เกิดจากการเจริญปัญญามากเกินไปผู้ที่เจริญปัญญาโดยที่ไม่พกักจิตในสมาธินี่มันก็ฟุ้งขึ้นมาได้เวลาเราพิจารณาอะไรแล้วใจมันเริ่มฟุง้งมันเริ่มกลายเป็นกิเลสไปเพราะอยากจะให้สำเร็จเร็วๆแต่ไม่สำเร็จมันก็เลยฟุ้งขึ้นมาเราก็ต้องหยุดมันเข้าไปในสมาธิพักก่อน อุทธจัจจะในสังโยชนี่มันเป็นเรื่องของการใช้จิตคิดไปในทางปัญญามากเกินไปจนมีความอยากแทรกเข้ามามีเกเรตตัญหาแทรกเข้ามาอย่างพระ อ, อนนนี่ก็เกิดอุทธจัจจะเนี่ยพระพุทธเจ้าทร ง, งทรงทานายว่าอานุ์ภายในสามเดือนหลังจากที่เราตายไปแล้ ว, ลวเธอจะได้บรรลุเป็นพออาระอรหันต์พระ อ, อนุ์ก็เลยพอพระพุทธเจ้าตายแล้วเสร็จงานศพแล้วก็เลย มุ่งไปปฏิบัติใปปฏิบัติจเจริญธรรมขั้นต่างๆจนถึงขั้นสุดท้ายติดสังโยชน์ตัวนี้ติดตัวฟุงซานเพราะใจไปคิดถึงคำทพยาก่อนพราะพุทธเจ้าว่าเราจะต้องสําเร็จนี่วัน น, น, นี้วันสุดท้ายแล้วสามเดือนนี้วันนี้เป็นครบรอบสามเดือนเรายังไม่สําเร็จคิดถึงคําพยากรณ์แล้วก็คิดถึงอนาคตคือการสําเร็จเมื่อไหรไ่เราจะสําเร็จสักที ใจมันก็พ่งอยู่กับเรื่องอดีตเรื่องอนาคตมันไม่เป็นปัจจุบันพอใกล้จะสว่างก็คิดว่าคราวนี้พระพุทธเจ้าคงจะพยากรณ์ผิดแน่ๆเราคงไม่มีวันสำเร็จลเพราะเราพยายามเต็มที่แล้วพิจญาอย่างไรแล้วมันก็ไม่มันก็ไม่เห็นจะสำเร็จทันที ก็เลยปลง่ะไม่ยอมไม่สำเร็จนอนดีกว่าแล้วหลังกำลังทำท่าจะนอนอยู่ระหว่างท่านั่งกับท่านอนอยู่จิตมันก็สำเร็จขึ้นมาจิตกิเลสมันก็หลุดออกมาปล่อยความอยากที่จะบรรลุมันก็หายไปความอยากบรรลุพระนิพพานามันก็หายไปอันนี้ก็อุทธจจะในสังโยชน์เนี่ยความคิดทางปัญยามากจนเกินไปไม่ได้คิดด้วยเหตุด้วยผลคิดด้วยความอยากมันก็เลยไม่สาเร็จพอ พอใจปองว่าไม่สําเร็จปล่อยความอยากสําเร็จได้มันก็เลยสําเร็จกันยังไหมความอยากสําเร็จมันก็เลยกลายเป็นอุปสรรคไปเ อ, อเข้าใจยังอุทตจจะในสังโยชน์กับอุทตจจะในเอนิวรันไม่เหมือนกันอุทตจจะในนิวรันคือคนที่ยังไม่มีไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาตอนนั้นต้องการทําใจให้สงบ ก็ต้องใช้สติพุโทโธพุธโทโธแต่ใจมันยังไปคิดถึงเรื่องงานเรื่องการอยู่มันก็เลยพุ่งขึ้นมาความพุ้งซ่านนี่ก็อุทจฉาแต่อุทจฉาทางสังโยนี้เป็นผู้ที่ได้บรรลุถึงขั้นสุดท้ายแล้วกําลังจะบรรลุขั้นสุดท้ายต้องใช้ปัญญาพิจารณาละอวิชชายังพิจารณาไม่ถูกยังยังละไม่ได้ยังอยากอยู่ พอตนหลังมาพิจนาะอ้อยตัวความอยากนี่เองอยากละอวิชาเนี่ยเป็นตัวนี่ทำให้ละอวิชาไม่ได้ลวิชานี้ละได้ด้วยการรู้ทันมันเท่านั้นเองพอรู้ปั๊บมันก็ลดมันก็ละได้คําถามจากคุณเชอร์เบลกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะถ้าขณะเรานั่งสมาธิแล้วจิตยังไม่สงบแต่เกิดตรตะคริวขึ้นมาก่อน ต้องปล่อยไปหรือออกมาก่อนแล้วค่อยนั่งใหม่คะก็ได้ทั้งสองอย่างตั้งต่อไปได้ก็นั่งไปถ้านั่งไม่ได้ก็ต้องปล่อยก็ต้องเปลี่ยนทิริยาบนถ้าถ้าถ้าไม่เปลี่ยนได้ก็ดีเพราะจิตมันก็จะผ่านความเจ็บปวดนั้นได้แล้วก็จิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ ถ้ามาเจอความเจ็บทีไยแล้วก็ถอยทุกทีมันก็ติดอยู่ตรงนี้มันก็จะไม่ข้ามผู้ที่จะทำใจให้สงบพันทุกเวทนาได้ต้องไม่ไ ม, ไม่ไม่เปลี่ยนอริยาบทต้องทำใจให้เฉยกับความเจ็บคำถามจากคุณอริยายิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นความอยากเจ้าค่ะแนะนำวิธีลดความอยาก ก็อย่าไปทำตามความอยากไงให้สอนใจว่าการทำตามความอยากนีไม่ได้ไม่ได้กจัดความอยากแต่เป็นการ เ, าเลี้ยงความอยากให้มันกลับมาอยู่เรื่อยๆถ้าเราต้องการที่จะกำจัดมันเราต้องไม่ทำตามความอยากถ้ามันทรมานตอนนี้มันอยากก็ใช้สติหยุดความทรมานใจพุทโธพุทโธไปทำใจให้นิ่งแล้วมันก็จะไม่ทรมานแล้วมันก็ไม่ต้องไปทาตามความอยาก แล้วเดี๋ยวความอยากนั้นมันก็จะหมดกําลังไปแล้วมันก็จะไม่กลับมารบกวนใจเราอีกต่อไปคําถามเรื<ะ>อยากจะซื้อกระเป๋าก็ก็ออย่าไปซื้อมันถ้ามีเงินแล้วมันร้อนก็เอาเงินไปทําบุญแทนพอเงินหมดไม่มีเงินซื้อกระเป๋าความอยากซื้อกระเป๋ามันก็ซื้อไม่ได้แล้วมันก็ไม่ต้องซื้อนี่วิธีถ้าถ้าอยากด้วยเงินทองก็ต้องเอาเงินทองที่จะไปซื้อของที่เราอยากนี้เอาไปทําบุญให้หมดนะ พอไม่มีเงินแล้วมันก็อยากไม่ได้อยากก็ไม่มีเงินซื้อคำถามจากคุณปริชัทกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเราควรฝึกสมาธิให้ได้ถึงฌานสี่ก่อนใช่ไหมคะถึงสามารถเจริญปัญญาที่แท้จริงได้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าจิตยังไม่มีความสงบมันจะคิดไปทางปัญญาไม่ได้เพราะกิเลสมันจะดึงให้ไปคิดทางกิเลสเสมอ แต่เวลาเรามีฌานสีแล้วนี้กิเลสมันจะอ่อนกำลังเราสามารถคุมมันได้มันจะดึงเราไปล้วบอกไม่ไปได้ฟื้นมันได้ดึงกลับมาคิดทางปัญญาได้คำถามจากคุณพิมพ์กราบนมัสการเจ้าค่ะดิฉันขอเรียนถามเคยฝันว่ามีคนมาฆ่าใช้ปืนยิงดิฉันแต่ความฝันในคืนนั้นเหมือนความจริงมากๆ เหมือนจิตจะหลุดจากร่างจริงๆในฝันดิฉันคิดว่าเราต้องตายแน่เลยดิฉันเลยพูดขึ้นมาว่าก่อนที่จิตของข้าพเจ้าจะหลุดออกจากร่างข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้กับคนที่เขาฆ่าเราและแล้วดิฉันก็ตื่นจากความฝันค่ะฝันแบบนี้เป็นบททดสอบจิตใช่ไหมคะอนนั่นแหละมันก็จะแสดงว่าเวลาเราเจอความตายเราจะมีปฏิกิริยากับเหตุการณ์นั้นอย่างไร ถ้าเราฝันว่าเขาจะยิงเราตายแล้วก็ยื่นอกให้เขาเลยบอกเอาเลยร่างกายไม่ใช่ของฉันเอาไปเลยมันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งมันขึ้นอยู่ที่ความรู้ของเราเราก็จะปฏิบัติกับเหตุการณ์นั้นเพราะเวลาเราฝันนี่เราไม่รู้ว่าเราฝันหรอกเราคิดว่าเราอยู่ในเหตุการณ์จริงตอนนี้เวลาเราจะตายเราก็จะเราก็จะมีเราก็จะมีะมปฏิกิริยาเหมือนกับตอนที่เราฝัน ถ้าเราฝันว่าเวลาเราจะตายเราขอเอโหสิตอนที่เราจะตายจริงๆเราก็จะเอโหสิเราก็จะไม่โกรธคนที่เขาจะมาฆ่าเราคำถามจากคุณบอยเดินจงกรมจะทำจิตให้ถึงอุปจาระสมาธิได้หรือไม่ครับแล้วถ้าถึงจะมีอาการอย่างไรครับจะแตกต่างกับการนั่งสมาธิหรือไม่ครับเพราะถนัดเดินมากกว่าครับ ไม่ใช่อุปจารสมาธิเราที่เราปฏิบัตินี้เราต้องการอัปปนาสมาธิใช้คําพูดผิดอุปจารสมาธินี้มันเป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งที่จะตามมาหลังจากได้อัปปนาสมาธิก่อนยันขั้นแรกนี้เรานั่งเราปฏิบัติเนเพื่ออัปปนาสมาธิให้จิตเป็นฌานสี่ให้จิตจิตรวมสักแต่ว่ารการเดินนี้มันยากเพราะว่าจิตยังต้องทำงานอยู่ จิตยังต้องควบคุมบังคับร่างกายให้เคลื่อนไหวจิตยังทำงานอยู่ยงั้นมันจะรวมไม่ได้ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่มันสะเทือนใจมากๆเช่นเดินไปแล้วไปจ้าเอกับเสืออย่างนี้พอเห็นเสือปั๊บจิตมันเกึกเลยมันหยุดป๊อบเลยนล้วมันก็รวมเข้าไปก็ได้มีแล้วเนี่ยประวัติหลวงปู่ชอบที่หนังสือที่จากไป ท่านชอบเดินเดินภาวนาเดินจงกรมเดินทุดงตอนคืนในป่าคนเดียวคืนหนึ่งท่านวัเดินไปใน ไ, ไปจเจาะเหยีบเสือจะเพราะเห็นเสือปั๊บจิตมีสติมันก็คุบเข้าไปถอยเข้าไปในสมาธิเลยแล้วตอนนั้นการรับรู้ร่างกายก็หายไปการรับรู้เสือก็หายไปท่านบอกท่านไม่รู้ว่าท่านอยู่ในสมาธินานเท่าไหร่ พอออกมาเทียนที่ท่านใช้อจุดตะเกียงจุดตะโคมผ้าตะเกียงที่ทําด้วยโคมผ้าเนี่มันหามันไหม้หมดไปละก็แสดงว่าท่านยืนอยู่ตรงนั้นเป็นระยะเวลายาวพอสมควรเท่า น, นั้นเสือก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเสือมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเพราะคนยืนเฉยๆก็คิดว่าเป็นต้นไม้ไป <c oughs> นะนะนี้มันจะ เดินจกรมจะรวมได้มันต้องเจอเหตุการณ์อย่างนั้นที่มันอะไรมันสะเทือนใจมากจนกระทั่งใจนี่ต้องหลบเข้าข้างในมันมันมีสอง่างถ้ามันไม่หลบเข้าข้างในมันก็ไปทางร่างกายถ้ามันไปทางร่างกายมันก็วิ่งนี่มันอยู่ที่ว่ามีสติหรือไม่มีสติคนที่ไม่มีสติพอเจอเสือก็โกยแต่คนที่มีสติมันก็จะดึงจิตเข้าข้างในแทนมันจะหลบคนละทางกัน หลบเข้าข้างในหรือหลบไปทางร่างกายถ้าหลบไปทางร่างกายก็วิ่งวิ่งหนีกันคำถามจากคุณดวงการดูภาพศพในอินเทอร์เน็ตถือเป็นการฝึกอสุภะกรรมฐานได้หรือไม่และการเห็นตัวเองหรือผู้อื่นเป็นศพต้องนึกเห็นเอาเองหรือมันจะเห็นได้เองโดยไม่ต้องคิดเลยเจ้าคะก็แล้วแต่บางคนก็เห็นเอง พอเคยเห็นมาก่อนมันอยู่ในความทรงจาแล้วมันก็เห็นเองได้ถ้าเราเห็นไม่ได้เราก็ต้องไปดูของจริงสมัยก่อนจะต้องไปดูที่ป่าชา้า <c oughs> สมัยนี้มีการถ่ายภาพมามันก็เหมือนกันภาพถ่ายกับภาพจริงมันก็มันก็เป็นภาพเหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการแบบไหนถ้าเราต้องการสดๆนอกจากเห็นภาพเราอยากจะนมกลิ่นด้วยก็ต้องไปดูของของจริง แต่ถ้าเราคิดว่าเห็นแค่ภาพก็พอแล้วไม่ต้องนมกลิ่นก็ไม่ต้องไปดูก็ได้เป้าหมายก็คือเพื่อให้เราไม่หลงกับร่างกายให้เรารู้ว่าร่างกายนี้มันน่าดูบางเวลาแล้วบางเวลามันจะไม่น่าดูแล้วแต่ว่าเราจะดูส่วนไหนด้วยถ้าเรามองในส่วนที่ไม่ น, า น, าน่าดูมันก็ไม่น่ า, นานดูตลอดเวลาแต่เราไปมองในส่วนที่ น, า น, าน่าดูมันก็จะน่ า, นานดูไปเรื่อยเรื่อยแล้วแต่ว่าเราต้องการจะดูดูว่าร่างกายน่ า, นานดูหรือไม่น่ า, นานดู ที่เราต้องการดูว่ามันไม่น่าดูเพื่อเราจะได้ไม่ไปหลงรักมันเมื่อเราไม่ไปหลงรักมันเราจะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับมันถ้าเราไปหลงรักใครนี่เราทุกข์กับเขาไหมพอรักใครแล้วเราก็ห่วงเขาหวงเขาแต่ถ้าไปเห็นว่าก็เป็นซากศพนี้หรือว่าเป็นโครงกระดูกคุ้มมีหนังหุ้้มโครงกระดูกอยู่นี่เราก็จะไม่ไปรักเขาเราก็ต้องเราก็จะไม่ต้องไปหวงไปหวงเขาเขาจะเป็นอะไรเราก็ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อน เนั่นก็อยู่ที่ว่าที่เราพิจารณานี้เพื่ออะไรการพิจารณาเพื่อให้เราไม่ไปหลงไหลข้างใกับเขาให้รู้ว่าเขาไม่สวยไม่งามหรอกเขาก็เหมือนเราเราก็เหมือนเขาพอมองเข้าไปข้างในนี้เหมือนกันทุกคนพอมองเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วไม่มีใครต่างกันเลยคําถามจากคุณวิพาวีกราบเรียนถามพระอาจารย์ เมื่อมีความเจ็บปวดในร่างกายเกิดขึ้นก็ดูมันเฉยๆไม่ได้อยากให้หายใจก็จะไม่ทุกข์แต่ก็ไม่ได้สุขรู้สึกเฉยๆค่ะบางครั้งก็คิดว่านี่ไม่ใช่ร่างกายของเราสักด์แต่ว่าเป็นร่างกายแต่ไม่ใช่ของเราคิดอย่างนี้ถูกต้องไหมคะถ้าไม่ทุกข์ก็ใช้ได้ถ้าอยู่กับมันได้ต่อไปเราไม่ต้องกินยาแก้ปวด เวลาร่างกายเจ็บปวดแล้วก็ทำใจเฉยๆมันก็อยู่กับมันได้คนที่ต้องกินยาแก้ปวดเพราะมันทนกับความเจ็บของร่างกายไม่ได้ก็เลยต้องเอายาแก้ปวดมาระงับความปวดของทางร่างกายแล้วมันก็เป็นปัญหาทำให้ไปติดยาแก้ปวดขึ้นมาอีกกลายเป็นติดยาไปแล้วพอไม่มียากินก็จะทุกข์อีกจะเจ็บปวดขึ้นมาอีกคาถามครับ กราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะหนูทำงานฝ่ายบุคคลรับผิดชอบเรื่องเงินเดือนและสวัสดิการพนักงานที่บริษัทพนักงานอาจซื้อประกันสุขภาพให้ครอบครัวได้ในราคาพิเศษเมื่อเร็วๆนี้มีสมาชิกครอบครัวของผู้บริหารท่านหนึ่งไม่สบายต้องได้รับการผ่าตัดค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแต่เมื่อเช็คประวัติ ผู้บริหารไม่ได้ทำประกันไว้ผู้บริหารขอให้ช่วยคุยกับบริษัทประกันเมื่อคุยกับบริษัทประกันบริษัทประกันให้หนูทำจดหมายขอโทษว่าเป็นความตกหล่นบกพร่องของฝ่ายบุคคลแล้วบริษัทประกันจะช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่าย ในเรื่องนี้ถ้าทำจดหมายเนื้อหาไม่จริงก็จะผิดศีลถ้าไม่ทำจดหมายให้บริษัทประกันผู้บริหารก็ต้องควักกระเป๋าจ่ายเองซึ่งจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์ในการทำงานที่ไม่ดีขอกราบคำแนะนำครับเราก็ต้องเลือกว่าระหว่างศีลธรรมกับคนอันไหนมีความสาคัญกว่ากัน คนมีเยอะแยะไม่คบกับคนนี้ก็ครบกับคนอื่นได้แต่ถ้าไม่มีศีลก็เหมือนกับเราไม่มีสิ่งที่มีคุณค่าอยู่ในตัวเราลูกเสืเอยิงสอนว่าเสียชีวิตดีกว่าเสียสัตว์ใช่ไหมฮะมก็ช่วยไม่ได้เจ้านายก็เป็นเจ้านายไปเลยทำไงได้ล่ะถ้าเจ้านายมีมีศีลมีสัตว์เจ้านายก็ต้องอก็ต้องก็ต้องทําตามศีลตามสัตว์ของตนเองเนี่ย ก็สแสดงว่าเราไปคบคนง่อเป็นคนที่ไม่เห็นคุณค่าของการมีศีลมีสัตว์ว่าสําคัญกว่าการมีเงินมีทองเงินทองตายไปก็เอาไปไม่ได้แต่ศีลสัตว์นี่เราไปได้ไปกับเราเป็นคุณสมบัติของเราเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เลือกเนี่ยก็ต้องเลือกศีลถ้าเป็นพระโสดาบันท่านท่านเลือกศีลท่านจะไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดเพราะท่านรู้ว่าชีวิตมันเป็นของชั่วคราวยังไงมันก็ตายไป ถ้าเราไม่ได้ทำงานกับบริษัทนี้เราก็ไปทำงานบริษัทอื่นก็ได้อาจจะได้บริษัทที่ดีกว่าถ้าเขารู้ว่าเราออกมาเพราะอะไรก็อาจจะชอบคนที่มีศีลมีสัตว์ก็ได้แต่ถ้าไ ม, ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้งานก็จะได้ไปบวชเลยถ้าเรามีศีลเราก็ไปกลัวอะไรคนที่มีศีลก็บวชได้อแล้วหมดหรยงังยังมีครับถามต่อ คำถามจากคุณปานีรัตกราบนมัสการข้าพระอาจารย์เวลาหูเราได้ยินเสียงเหมือนเสียงดนตรีที่งานบวชเสียงนี้เหมือนจะดึงจิตเราออกไปแต่อยู่ๆมีเสียงในตัวเราบอกให้เราภาวนาพุทโธสามครั้งพอนึกถึงพุทโธสามครั้งอยู่อยู่ๆจิตเราก็กลับมาอยู่กับตัวดันงเดิมไม่ไปหลงเสียงดนตรีที่ได้ยิน อย่างนี้คืออนิสงของคำที่เราภาวนาพุโทโธใช่ไหมเจ้าคะก็มีส่วนเนี่ยเราเคยทำอะไรแล้วพอเรารู้ว่าใจเรากำลังหลงไปทางอื่นเราก็ใช้สติที่เราได้ทำไว้ดึงกลับมาได้ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะคิดต่อไปคิดแล้วเดี๋ยวก็อยากจะไปร่วมงานกับเขาคำถามจากคุณชุตินันท์ mm hmm. เมื่อเจ็บป่วย แค่คิดว่าอาจเจ็บหนักเป็นโรคร้ายแรงหรือเปล่าจิตใจก็ว้าวุ่นนอนไม่หลับควรคิดอย่างไรดีเจ้าคะจะได้นอนหลับสนิททุกวันนี้นอนไม่ค่อยหลับเลยก็ต้องหยุดความคิดเหล่านี้ก่อนฝึกสติพุโทโธพุโทโธแล้วสวดมนต์ไปเวลาที่เราไม่สบายใจสวดไปหรือพุโทโธไปจนกว่ามันจะสบายใจ ล, ลืมเรื่องที่ทาให้เรา ไม่สบายใจแล้วเราก็จะนอนหลับได้คำถามจากคุณนริศราในช่วงที่เราเสวยวิบากกรรมเหมือนเจ้าหนี้รุมเราแต่เรามีเงินน้อยไม่ได้คิดหนีหนี้เราจะวางอย่างไรคะก็อยู่กับมันไปเข้ามาตามมาทวงก็ให้เขาทวงไปไม่มีก็บอกเขาไม่มีไป เขาจะด่าก็ปล่อยเขาด่าไปเขาจะยึดสมบัติอะไรก็ปล่อยเขายึดไปเพราะต้องถือว่ามันไม่ได้เป็นของเราแล้วเป็นของเจ้านี้เข้าไปแล้วคําถามจากคุณสิริเมื่อไม่มีความอยากแล้วความโลภโกรธหลงหายไปด้วยได้อย่างไรโดยเฉพาะความหลงมันก็มาด้วยกันนะมันพวงเดียวกันความอยากก็คือความโลภ แล้วพอถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่โกรธที่เราโกรธเพราะเวลาเราอยากแล้วเราไม่ได้ใช่ไหมอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้เราก็โกรธขึ้นมาแล้วที่เราไม่อยากก็เพราะว่าเราไม่หลงเรารู้ว่าการทําตามความอยากนี่ทําให้เราทุกข์เราก็เลยไม่อยากมันก็เลยมาเป็นพวงกันมันมาจากการมีปัญญาปัญญาจะมาแก้กวความหลงความหลงที่คิดว่าทําตามความอยากแล้วเป็นสุข แต่ความปัญญาจะบอกว่าการทำตามความอยากเราเป็นทุกข์มันก็จะเลิกทำตามความอยากพอไม่ทำตามความอยากความโกรธก็จะไม่มีตามมาอา่าอีกข้อ อ, ข, อ, อข้อสุดท้ายคำถามจากคุณวันเรียนถามพระอาจารย์ครับขอวิธีพิจารณาให้เห็นความเบื่อกับการเกิดตายครับก็คิดถึงความตายบ่อยๆคิดถึงความแก่ความเจ็บอยู่เรื่อย ถ้าคิดไม่เห็นก็ไปดูคนแก่คนที่อยู่ตามบ้านคนชราไปดูคนเจ็บไข้ได้ป่วยตามโรงพยาบาลไปดูศพตามวัดถ้ามันคิดแล้วมันมันมันคิดไม่ได้ก็ให้ต้องไปดูของจริงไปดูภาพเป็นดูของจริงแล้วเอามานึกอยู่บ่อยๆว่าต่อไปเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้ถ้ามันเห็นอย่างนี้คิดอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปมันก็กลัวความเกิด มันก็อยากจะไปปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนให้ปฏิบัติคือไปตัดความอยากต่างๆพอเราตัดความอยากได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่าน